สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีวันนี้ก็น่าจะมีคนเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปพักผ่อนเนื่องจากมีวันหยุดถึงจะไม่เป็นวันหยุดยาวแต่ก็อาจจะมีคนที่จะที่จะขออนุญาตลาพักผ่อนกันไปหนึ่งวันน่อยากวันมันฟันหลอที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่า วันอาสารหาบูชานั้นเนี่ยเป็นวันหยุดซึ่งก็ต่อด้วยวันเข้าพรรษาสองวันมันฟันหลออยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันทําการก็คงจะมีคนขอลาหยุดกันหนึ่งวันในวันจันแล้วก็ต่อเนื่องกันไปใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้มีความสุขกับการเดินทางไปพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องที่ เป็นสาระเกี่ยวกับวันอาสารหะบูชาขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับอาสารหะบูชาบางคนก็ถนัดที่จะอ่านเรียงพยางไปว่าอาสารหะบูชาถามว่าคำไหนถูกคำไหนผิดในภาษาไทยนี่มันก็มีเหตุมีผลของมันวะถ้าหากว่าเราจะพูดกันในแง่ของความถูกต้องตามหลักการอ่านอันนี้ ประการที่1ส่วนจะอ่านตามความนิยมนี่ก็เป็นประการที่สองเหมือนเราอ่านว่าอุบัติเหตุนี่คืออ่านตามหลักของการอ่านแต่เราก็นิยมจะพูดว่าอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นเรื่องของความนิยมเอาละวันอาสารหะบูชาก็คงจะต้องอ่านกันตามหลักส่วนไม่สะดวกปากจะอ่านว่าอาสารหะบูชาทำความเคยชินก็คงไม่มีใครไปว่าอะไรกันละ วันอาสาฬหาบูชาถือเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ไปทำบุญตักบาทเนึ่งในวันพระใหญ่อาละดูที่คำว่าอาสาฬหาบูชาคำเต็มๆของคานี้คือคาว่าอาสาฬหาปูรณมีบูชาซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสารหะคนไทยเรานี่ถือเป็นวันเพ็ญเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติของไทยแต่ว่าเดือนนี้นี่ถือเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของชาวอินเดียเขาในทางต้องเรียกว่าเดือนฝรั่งและการสุริยคตินั้นมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือไม่ก็เดือนสิงหาคม แต่ถ้าเบิดว่าปีใดมีเดือน8ปสองหนก็เลื่อนไปทําในวันเพ็ญเดือน8เดือนหลังแทนอันนี้เป็นธรรมเนียมนิยมที่ถือปฏิบัติกันอย่างนี้คําถามคือวันอาสาหะบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั้นมีเหตุปัจจัยมาจากที่ไหนคงต้องสืบประวัติไปว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นก่อน พุทธศักราชคือก่อนปี 2,500 อปีปีพุทธศักราชหนึ่งต้องนับอย่างนี้45ปีก่อนพุทธศักราชหนึ่งในวันขึ้น15ข่้าเดือน8คือวันอาสารหะปุรณมีดิถีหรือวันเพนเดือนอาสารหะนั้นเนี่ยที่ป่าอิสิปะตะนะมรุกขายวันเมืองพาราณสีแคว้นกาสีนั้นเนี่ยเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาคือธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีผู้ที่เรียนมาทางประวัติของพุทธศาสนาก็คงจะคุ้นๆกันดีว่าธรรมมจากกัปปวัตตนสูตรคืออะไรปัญจวัคคีคืออะไรเหตุ <S <S การณ์ในวันนั้นนี่เป็นการแสดงธรรมให้กับพราหมณ์โกนทัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคี ปัญจะก็ไปว่าห้านั่นแหละเบนจะก็เป็นรากคาเดียวกันปัญจวัคคีประกอบด้วยโกณฑัญญะวัปปัทถิยมหานามะและอัสชิเอ่อทั้งหมดก็เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือจะพูดคือบัรลุเป็นพระอริยะบุคคลระดับโสดาบัน จึงได้ขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าวิธีการนั้นเนี่ยเรียกว่าวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือเป็นเป็ น, ปนพระสงฆ์ที่บวชโดยพระพุทธเจ้าว่างั้นเหอะพระอัญญากนทัญญานั้นจึงกลายมาเป็นภาษาวกและภิกษุองค์แรกในโลกวันนั้นนั่นเองจึงทําให้เกิด มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเพราะว่าได้แสดงปฐมเทศนาและสุดท้ายก็มีพระสงฆ์วันนี้จึงมีการเรียกกันอีกว่าวันพระธรรมบางทีก็เรียกว่าวันพระธรร ม, มจักรซึ่งถือว่าเป็นวันที่ล้อกงแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และก็ยังถือว่าเป็นวันพระสงฆ์เพราะว่าเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและก็จัดว่าเป็นวันรัตนะไตรอีกด้วยออวันอาสารหาบูชาก็คงสำคัญพอๆกับวันวิสาขาบูชาประมาณอย่างนั้นแต่เดิมนั้นเนี่ยไม่มีการประกอบพิธีบูชาในเดือน8หรือวันอาสารหาบูชาในประเทศพุทธที่แถบทางบ้านเราคือเถรวาส จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2,501 การบูชาในเดือน8หรือวันอาสารหะบูชาจึงได้เริ่มขึ้นในประเทศไทยตามที่คณะสังขมนตรีได้กําหนดให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปีนั้นนั่นเองก็มีมติให้เพิ่มวันอาสารหะบูชาเป็นวันสำคัญทางาศาสนาพุทธในประเทศไทยอันนี้ ได้มีมติตามคำแนะนำของพระธรรมโกษาจารย์องเล็บชื่อเดิมว่าชอบอนุจารีโดยคณะสังคมนตรีได้ออกเป็นประกาศจำนักสังฆนายกเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช 2,501 ้็และก็กำหนดให้เป็นวันสำคัญทางทางพระ พ, พุทธศาสนาแล้ก็ก็เลยมีการประกอบพิธีขึ้นเป็นทางการ ความสําคัญของวันอาสารหาบูชานั้นเนี่ยอย่างที่ได้พูดแล้วก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักรคือประกาศให้ปัญจวัคคีย์ฟังเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นก็ครบองค์สามคือพระรัตนตรยัยสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงเปิดเผย ให้เป็นที่ประจัดแจ้งแก่ชาวโลกนั้นเนี่ยคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าต้องเรียกอย่างนี้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอันนี้เป็นคําที่ใช้เรียกสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่สามารถแสดงสิ่งซึ่งตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้มีคําหนึ่งคือคําว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระจัด ปัดเจ ก, กับพุทธเจ้านั้นถึงแม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบแต่ก็ไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้นี่แหละเป็นเหตุว่าทำไมวันอาสารหาบูชาจึงมีชื่อเรียกว่าวันพระธรรมเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ส่งประกาศขึ้นมา เ, เป็นวันที่ท่านกนธั ญ, ญะบรรลุโสดาบันเป็นคนแรก ในเวลาต่อมานั้นเนี่ยพระอริยสงฆ์องค์อื่ น, นๆการเดินทางมาสองสามพันปีเนี่ยก็มีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นมากมายเป็นวันที่เราเอาไว้รำลึกถึงการบังเกิดขึ้นของของพระพุทธศาสนาอย่างครบสมบูรณ์คือประกอบด้วยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและ พระสังขรัตนาะซึ่งรวมเรียกว่าพระรัตนไตรยอันนี้เป็นเรื่องของอาสาหาบูชาวันรุ่งขึ้นของวันอาสาหาบูชานั้นก็เป็นวันเข้าพรรษาทั้งสองวันนี้ไม่ค่อยจะตรงกันในแง่ของสุริยคติแต่ว่าก็คงจะยึดเอาตามจันทรคติเหมือนกันถ้าหากว่าออมีเดือน8ด สองครั้งสองหนก็จะถือเอาเป็นเดือน8หลังเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งวันเข้าพรรษาก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปซึ่งก็ติดกันเลยกับวัน15บห้าคของเดือน8ความหมายของวันเข้าพรรษานั้นสิ่งซึ่ ง, งแปลอย่างง่ายๆคือพรรษาแปลว่าฝนเราอาจจะคุ้นๆกับคําว่าพรรษาในความหมายว่าปีก็ได้ เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราก็จะพูดว่าว่าหนึ่งฝนเหมือนกับในเพลงจําไม่ได้แล้วว่าเพลงอะไร18ฝน18หนาวอันนี้ก็คงจะได้อิทธิพลความเชื่อเรื่องปีที่เอามาจากคําว่าพันษาซึ่งแปลว่าฝนนั่นหมายคำว่าหนึ่งปีก็จะครบรอบในหน้าฝนจึงเรียกว่าวันเข้าพันษาวันเข้าพันษานี่ก็แล้วแต่มุมมองว่า จะตีความเป็นประการใดวันก่อนได้ฟังรายการวิทยุระหว่างที่กำลังนั่งนั่งรถแท็กซี่ไปทำงานนั้นเนี่ยเออแท็กซี่โชเฟอร์ก็ก็เปิดรายการหนึ่งแล้วก็ในนั้นคนที่เป็นพิธีกรประจำรายการก็มีการพูดคุยกันเป็นพิธีกรสองคนเป็นผู้จัดรายการวิทยุสองคนคุยกันก็คุยเหมือนกับว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันที่ได้ขอให พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายได้อยู่จําพรรษาอยู่ในวัดเดี๋เดินออกไปข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวไปเหยียบเอามดแมงมแมลงหนูกบเขียดอะไรกันไปจะกลายเป็นบาปเออคนที่เรียนมาอย่างเราในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราไม่ได้พูดกันอย่างนี้นะว่าจะไปเหยียบเอามดแมงมแมลงหนูอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีเหตุผลเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า หรือเป็นผลพลอยได้ในเรื่องนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใครจะแน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อว่าวันเข้าพรรษาจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปแล้วก็มักจะทำอะไรกันบ้างสักครู่เดียวครับรายการเพลินภาษานาน า, นาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งมัน่น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 สนนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University คุยกันถึงเรื่องวันเข้าพรรษาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนนั้นเนี่ยการตีความอาจจะตีความไม่เหมือนกันไปดูว่าประวัติของวันเข้าพรรษานั้นเนี่ยมีมาอย่างไรบ้าง นั้นต้องท้าความไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นเนี่ยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็พากันกล่าวตาหนิพระสงฆ์ซึ่งเดินย่ำไปเหยียบเอาข้าวกล้าของชาวนาเสียหายไม่หยุดแม้กระทั่งในฤ ด, ดูฝนชาวบ้านก็สังเกตว่าแม้แต่ฝูงนกมันยังหยุดพักผ่อนไม่ได้ท่องเที่ยวไปไหน แต่พระสงฆ์เนี่ยไอ้ที่ออกไปเดินย่ําไปในท้องไร่ท้องนาของชาวนา น, นั้นก็คงจะออกไปเดินบินทบาทสลามังชาวนาซึ่งกําลังปลูกข้าวอยู่นั้นเนี่ยต้นข้ามันก็มันก็จะเสียหายไปความนี้จึงทราบไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงรับสั่งให้พระสงฆ์ประชุมกันแล้วก็ส่งบัญญัติเรื่องการเข้าพรรษาไว้เป็น ภาษาบาลีว่าอนุชานามิภิกเเวอุปคันตุงหมายถึงภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พวกเธออยู่จำพรรษาคำว่าจำพรรษาอย่างที่บอกแล้วหละว่าพรรษานอกจากจะแปลว่าฝนจะแปลว่าปีก็ได้แต่ในที่นี้ก็น่าจะหมายความว่าอยู่จำในช่วงที่ฤดูฝนมันตกชุกตลอดสมเดือนเหตุที่ได้เอาช่วงนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการที่ไม่ประสงค์จะให้พระสงฆ์เดินไปเหยียบย่าเอาข้าวกล้าของชาวนาเสียหายแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นกุศโลบายในแง่ที่พระสงฆ์ได้หยุดพักบ้างหลังจากที่ไปเผยแผ่ศาสนาพุทธตามสถานที่ต่างๆแล้วเพราะว่าในช่วงฤดูฝนนั้นเนี่ยการเดินทางก็คงจะยากลาบาก แล้วก็เรื่องของความเสียหายการเดินเดินไปเหยียบย่ำทันยีพืชที่เขาเพิ่งจะปลูกในฤดูฝนนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่พระสงฆ์ทั้งหลายจะมาอยู่จำพรรษารวมกันเนื่องจากว่าต่างต่างองค์ต่างรูปก็เดินกันออกไปกระจัดกระจายกันไป การได้มาอยู่รวมกันก็จะได้มีการทบทวนศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์พระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยอันนี้คงเป็นกุศโลบายในแง่ของการปกครองด้วยสละมังคนให้เราตามประวัติการบันทึกนั้นพบว่า เรารู้จักวันเข้าพรรษากันมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีที่เรารู้กันก็คือศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราชที่เรียกกันว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนั้นเนี่ยได้บันทึกตั้งแต่ปีพุทธศักราช1826 7800ปีก่อนคนไทยก็รู้จักกันมาแล้วละ่ะในนั้นเนี่ยจารึกไว้ว่าพ่อขุนรามคําแหง เจ้าเมืองสุขโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าทั้งถ้วยป่วถ้วยนางลูกเจ้าลูกขันทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงถ้วยมีศรัทธาในพุทธศาสตร์มักทรงศีลเมื่อพันษาทุกคน นี่แหละเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสะท้อนให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยรู้จักกันมานานแล้วนอกจากการรักษาศีลเหมือนอย่างที่ปรากฏอยู่แล้วในศิลาจารึกนั้นเนี่ยพุทธศาสนกชนก็ยังได้บำเพ็ญกุศลอย่างอื่นเช่นการถวายเสื้อสะอดทั้งหลายออมีการถวายเตียงตังอะไรไปให้กับพระสงฆ์ด้วยนอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ นอกจากการทำบุญตักบาตรอะไรแล้วเนี่ยก็มีการถวายผ้าจำนำพันษามีการถวายเทียนจำนำพันษาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยในเดือน8ด้วยในไม่ช้าไม่นานที่ผ่านมา1ิปกว่าปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยปี2551รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันเข้าพันษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ มีการประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรหลังจากนั้นในปีถัดๆมาก็รณรงค์ให้คนไทยตั้งสัจจจิฏฐานงดดื่มสุราในวันเข้าพรรษาเราจึงเห็นมีการโฆษณาว่างดเหล้าเข้าพรรษามิยายคนจะไปตีความเป็นอย่างอื่นว่าหนึ่งปีเข้าพรรษาสามเดือนการที่เราไปออกโฆษณาว่า งดเล่าเข้าพรรษานั่นหมายความว่าเชิญชวนให้งดแค่สมเดือนอีก9้าเดือนนั้นเชิญชวนให้ดื่มงั้นหรืออันนี้เป็นเรื่องของการตีความในเชิงภาษาก็าคงไม่ได้มีเจตนามหมายความว่าจะให้เรางดแค่สมเดือนหรอกแต่อาจจะเป็นกุศโลบายว่าถ้าหากว่าในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเราปฏิบัติได้ เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแ ล, แล้วก็หลังจากนั้นอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการเริ่มต้นที่จะไม่ดื่มสุราก็เป็นไปได้ส่วนใครจะไปลองพลิกใหม่เป็นว่า9เดือนงดดื่มสุราแล้วสาเดือนช่วงเข้าพรรษามาดื่มสุรา ก, ก็ลองดูแล้วกันเผื่อจะมีมุมมองที่ดีขึ้นว่าในช่วงสมเดือนที่จะดื่มสุราคนส่วนใหญ่เขาไม่ดื่มแล้วเรา จะมานั่งดื่มอยู่คนเดียวมันจะเป็นอย่างไรอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่ต้อ ง, องไปตีความกันว่าใครถูกจริตกับคาไหนก็เลือกคำนั้นแล้วกันแต่ก็หวังว่าวันงดดื่มสุราแห่งชาติก็คงจะไม่เป็นแค่เพียงวันเดียวหรอกแต่น่าจะเป็นหลายวันมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าในศีลห้า ในข้อ5นั้นก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่างดจากการดื่มสุราเมรัยทั้งหลายเพราะว่าสุราเมรัยอาจจะเป็นต้นเหตุของการทำความความชั่วในอีก4ข้อที่เหลือข้อ 1-2-3-4 ก่อนหน้านั้นข้อที่1เป็นเรื่องของการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นไปได้ว่าดื่มเหล้ามากแล้วเมา ก็อาจจะบันดาลโทษะค่าคนตายบังละค่าสัตว์ตายบังละก็เป็นไปได้ประการต่อมาคือเรื่องของการลักทรัพย์ของผู้อื่นเขาเนี่ยกันจะไปลักทรัพย์ก็อีกแหละมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการเมาจนกระทั่งที่สุดติดสุรากลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังก็ ทำมาหากินไม่ได้มันทำมาหากินไม่ได้ก็อาจจะไปลักเล็กขโมยน้อยเขาข้อที่สนั้นว่าด้วยเรื่องของการผิดในเรื่องของอผิดลูกเมียผู้อื่นเขาพอเมาแล้วเนี่ยมันก็ครองสติไว้ไม่ได้ใครจะลากไปลากมาก็ทําผิดในแง่ของตรงนั้นไปอีข้อที่4คือเรื่องของมุสาวาทา การดื่มเหล้านั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมาแล้วก็พูดจาเละเลือนจะถูกบ้างจะผิดบ้างอะไรก็อาจจะสรุปได้ว่าเาในศีลห้านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองอาจจะได้บัญญัติมาจากการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันขอภัยในปัจจุบันในที่นี้หมายถึงปัจจุบันณในสมัยพุทธกาล เมื่อคนในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คงจะเห็นแล้วจึงได้ทรงบัญญัติศีห้าขึ้นมากำกับเพื่อให้ยึดมั่นถือมั่นสองสามพันปีผ่านไปแนวคิดเรื่องของศีห้าก็ยังทันสมัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็หวังว่าจะได้ใช้สีหน้าให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมไทย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 สักครั้งช่วยเติมความหวังให้คนคนนี้ได้ไหมโปราเธอมองหันมาอย่าเดลาร้างไกลทั้งหัวใจจะยอมให้เธอ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University 阿าคุยกันต่อว่าด้วยเรื่องกิจกรรมที่นิยมทำกันในวันเข้าพรรษาซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันอจาจจะก่อนเข้าพรรษานิดหน่อยแล้วก็ช่วงที่เข้าพรรษาถึงสามเดือนนั้นเนี่ยทำอะไรกันบ้าง เป็นวันที่เราต่อเนื่องกันจากวันอาสารหาบูชาหลักๆเลยเข้าวัดทมบุญจะไปเข้าวัดทมบุญตักบาตรฟังพระธรรมมเทศนาสองวันต่อเนื่องเลยเมื่อวานเข้าวันอาสารหาบูชาวันนี้ก็ไปฟังเทศฟังธรรมต่อด้วยวันเข้าพรรษา นอกจากนี้นี่มีกิจกรรมที่เราเห็นชัดก็คือการการหล่อเทียนเข้าพรรษาเดี๋ยวขออนุญาตแปะไว้ก่อนสําหรับการหล่อเทียนเข้าพรรษาไปดูเรื่องที่เออเป็นสิ่งของทึ่งปัจจัยที่ถวายให้แก่พระสงฆ์นะั้นมีอะไรบ้างเช่นถวายเทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนหลายคนก็ นิยมที่จะถือโอกาสที่จะบรรปชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ตลอดฤดูพันษาการทั้งสามเดือนชาวบ้านก็เรียกกันว่าบวชเอาพันษาออปกติแล้วเนี่ย เ, ออเครื่องใช้ไม้สอยของของพระสงฆ์ตามพุทธานุญาตนั้นเนี่ยมีอัตถบริขารอัตถะแปลว่า8เพระเาะฉะนั้นอัตถบริขารจึงแปลว่า ข้าวของเครื่องใช้อันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์8ประการคือสบงจีวรสังคาติเข็มบาทรัดประคตหม้อกรองน้ำและก็มีดโกนที่นี้กว่าที่ท่านจะหาที่พักแรมได้อะไรได้เนี่ยบางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมาชาวบ้านก็เลยพร้อมใจกันถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระท่านได้ ผลัดเปลี่ยนกันบ้างจากที่เคยใช้ใช้กันอยู่มาถึงกิจกรรมที่เรารู้จักกันดีคือเรื่องของการหล่อเทียนพรรษาการหล่อเทียนพรรษานี่ถ้าพูดกันในแง่ของประเพณีแล้วนี่จังหวัดที่เด่นมากคือจังหวัดอุบลราชธานีถามว่าทำไมถึงได้เกิดเรื่องของ เ, ออเทียนพรรษาหล่อเทียนพรรษาขึ้น อันนี้นี่ต้องไปดูว่าสมัยนั้นเนี่ยมีความเชื่อกันว่าเนื่องจากพระสงฆ์เนี่ยไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้หรืออะไรอย่างนั้นชาวบ้านก็เลยหล่อต้นเทียนขึ้นมาเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ใช้ในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆแล้วก็เป็นการถวายพุทธบูชาด้วยน่าจะมีสาเหตุความเชื่อในเรื่องของการถวายเทียนจำนำพรรษาว่า ประการที่หนึ่งพระอนุรุทธะสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยนี่แหละ น, น่าจะในชาติต่างก่อนพระอนุรุทธะเคยให้แสงประที่เป็นทานก็เลยถือเอาการปฏิบัติตามตามของพระอนุรุตมาประการที่สองคือหญิงคนหนึ่งไปฟังธรรมที่ เชตวนารา ม, มืองสาวิถีพอพรบค่าก็ให้คนเอาประทีปที่บ้านของตนเนี่ยมาจุดให้แสงสว่างแก่คนที่มาฟังธรรมพอผู้หญิงคนนั้นตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีเป็นแสงสว่างสวยงามเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความเชื่อว่าการที่เราถวายเทียนพรรษานั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ช่วยจุด ประกายปัญญาประการที่หนึ่งตามพระอนุรุษหรืออาจจะเป็นเรื่องของต้องการให้หน้าตาสะสวยเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นอันนี้เป็นเรื่องของแนวความเชื่อมาถึงปัจจุบันที่เราเราแหลหล่อเทียนพันษาแล้วก็แห่กันต่อไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการซื้อเทียนพรรษาออขอภัยการหล่อเทียนมาเป็นการซื้อเทียนพรรษาสําเร็จรูปนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างของของคนไทยเราเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนการจะหล่อเทียนพรรษาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของการเอาเอาเอามาทบทวนกันอีก คือการเอารังสมัยก่อนเนี่ยเอารังพึ่งมาต้มเอาขี้พึ่งไปฟัน่นเป็นเทียนแล้วนำไปถวายพระภิกษุเทียนเล่มเล็กๆหลายๆเล่มเอามันมัดรวมกันเป็นลำต้นเหมือนกับต้นกล้วยต้นไม้ไผ่อะไรเงี้ยแล้วไปติดกับฐานอันนี้ก็เรียกกันว่าต้นเทียนแล้วก็มีวิวัฒนาการเอาลายไทยไปประดับบ้างอะไรบ้าง สมัยก่อนก็จะเชิญชวนให้เอาเทียนเนี่ยไปไปหล่อก็คือไปใส่ในกระทะให้มันหลอมละลายแล้วก็หรือไม่ก็ตักเทียนที่หลอมละลายนั้นเข้าไปในเบ้าเป็นอย่างนั้นในมุมมองของคนหลายคนบอกว่าการที่เอาเทียนไปถวายให้ทางวัดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงหรือเปล่า ที่พูดว่าเสี่ยงก็เพราะว่าปกตินั้นเนี่ยจุดเทียนพรนษาก็จะจุดยาวนานสามเดือนอันนี้ไม่รู้จะถือทมเนียมนิยมว่าเพื่อให้ส่องสว่างสวัยไปตลอดการหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อจุดไปเทียนพรนษา ซ, ซึ่งก็เล่มก็ไม่ชีเล็กๆเนี่ยนะมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่เกิดอักคีภัยขึ้นมาได้ จึงเกิดแนวคิดขึ้นมาใหม่เป็นการถวายไฟนีออนหลอดฟลูออเรสเซนขึ้นมาถวายแทนปัญหามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะเกิดอะไรในในแง่มุมหนึ่งทีนี้การที่เราเอาหลอดไฟไปถวายวัดเนี่ยวัดก็เดือดร้อนอีกคือหลอดไฟมันก็วางอยู่อย่างนั้นปัญหาคือ พอเอาหลอดไฟไปติดเยอะเข้าเยอะเข้าสิ่งที่ตามมาคือค่ากระแสไฟฟ้าอ้าวมันก็เกิดกลายเป็นว่ามีหลอดไฟแต่ไม่มีตังจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ามันก็เป็นมุมมองหลายมุมมองเราคงต้องมองสังคมไทยให้รอบด้านว่าถ้าหากว่าเราจะร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในแง่ของการที่สร้างเทียนพันษาหลอดเทียนพันษา แกะสลักสลาวกลืงให้สวยงามนั้นก็เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาในแง่ของการถวายเทียนให้แก่ทางวัดเพื่อให้ทางวัดได้ใช้นั้นเนี่ยพอเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ตามมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนในสังคมที่เรล้ากันไป กลุ่มหนึ่งถาวายเทียนกลุ่มหนึ่งถาวายหลอดไฟกลุ่มหนึ่งก็ถาวายปัดใจเพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอะไรสังคมไทยก็น่าจะอยู่กันได้อย่างอย่างสงบสุขแล้วก็อยู่กันได้อย่างที่สร้างสรรค์กันได้มากขึ้นมากขึ้นแม้นว่าปัจจุบนันนี้วิวัฒนาการของการตกแต่งเทียนพันศานั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากเป็นเรื่องของการ สร้างกันขึ้นมาแกะสลักกันขึ้นมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็อีกไม่กี่วันก็คงจะมีคนไปไปเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาที่นั่นซึ่งก็ยิ่งใหญ่ตรการตาผู้ที่เดินทางไปก็ขอให้เดินทางโดย ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันหยุดคนเขาก็ค่อนข้างที่จะมากแห่เทียนพันษาก็อาจจะพ่วงไปด้วยเรื่องของการทําบุญทําทานพ่วงด้วยเรื่องของการงดเหล้าด้วยพ่วงกันไปเรื่องของการอุดหนุนสินค้าโอท็อปของแต่ละสถานที่ที่เราไปด้วยก็นับเป็นการใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่าหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ใช้วันหยุด ที่มีคุณค่านี้ด้วยการทําบุญตักบาตรเข้าวัดถือศีลแล้วก็ช่วยอุดหนุนการท่องเที่ยวของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปคงหมดเวลาสําหรับวันนี้กลับมาพบกับรายการเพลินภาษานานาสาระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 ริ้วมากลองปรึกษาดังว่าดนตรีหลับอยู่ในความรักูและความเชื่อชั่ววันและคืนเช่นนี้กลิ่นดอกไม้รันจวน ยังอบรุ่นยวน ย, ยีสุดที่จะพันนา น, าน ถึงวันตายภาพนั้นยังคอยหลอกล้อนหัวใจทุกๆนาทีเธอรู้ไหมว่าใครคอ